ตุลาวันอาทิตย์ที่12บสงตุลาเป็นวันกรถินของพวกเราวันที่11ตุลาเป็นวันกรถินวัดป่าบ้านตาดพอเสร็จจากวัดป่าบ้านตาดแล้วก็ทุกปีที่ผ่านมาเพราะขันธศรัทธาญาติโยมหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะตั้งแต่องค์หลวงตา ย, ยังมีชีวิตอยู่ศรัทธาญาติโยมก็ขึ้นมาทําบุญกับองค์หลวงตากรถินหลวงตา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 แต่ว่ากระถินปีนี้ของเราวัดของเราเป็นกระถินพิเศษเป็นกระินพิเศษพิเศษยังไงคือพิเศษคือปีนี้ก็ทางทูลกระหม่อมรองว่าพระองค์เจ้าที่เป็นลูกสาวของทูลกระหม่อมพอยหญิงท่านได้ขึ้นมาดูสถานที่ก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเมื่อวันที่สสิงหาท่านก็เสด็จ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 ถ้าเมื่อวัดปาบ้านตาดขึ้นพวกเราก็ควรจะให้ขึ้นที่บ้านพ่อบ้านปู่ของเราก่อนหลวงตาเนี่ยเป็นหลวงปู่หลวงตาเป็นพ่อของเรา เ, เราก็ต้องให้ขึ้นจุดนั้นก่อนจนกว่าพอขึ้นมาแล้วจะตุกปัจจัยมันเพียงพ อ, เ, อเพียงพอไม่เดือดร้อน เ, อเราจึงค่อยจะมาสร้างที่วัดของเราวัดปานาขน้อยของเราก็ยังค่อยว่ากันต่อภายหลัง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 หลวงพ่อก็ให้สร้างเอาเลยเอหรือกุฏิหลวงพ่อสร้างเจดีตรงนี้แหละที่เป็นที่เนอเนี่ยหลวงพ่อเอาตรงนี้เราเหมาะเลยหลวงพ่อก็จะรื้อกุฏิออกทันทีเลยเอพวกเราเอาตรงไหนหลวงพ่อให้ทั้งหมดภายในวัดของพวกเราเพื่อความเหมาะสมเพื่อความถูกต้อง เ, อเพื่อเชิดชูบูชาขององค์หลวงตาหลวงตาท่านมีพระคุณขนาดไหนที่ท่านช่วยโลกมา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 เพราะกรรมของท่านกรรมเก่าของท่านที่เคยท่านเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่อนันตริยกรรมหามาา้าม า, าตุกฆาตฆ่ามารดาปิดถูกฆ่าฆ่าบิดาเพราะฉนั้นมาในพบนี้ชาตินี้กรรมมันยังให้ผลอยู่กรรมของท่านกรรมหนักอนันตริยกรรมกรรมหนักท่านก็เลยถูกโยนฆ่าที่การศีลาในเขตแขวงกรุงราชคฤห์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 ก่อนที่พระสาริพุตรจะปรินิพานท่านก็ดูอดีตชาติเนี่ยนะเพราะว่าท่านได้เป็นพระอรหันต์เตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปตโตเป็นผู้มีฤทธิ์อำนาจดูอดีตดูอนาคตดูปัจจุบันท่านก็มองดูอดีตของท่านเล้ว่าเออตามประเพณีตามประเพณีของพระพุทธศาสนาตามประเพณีของพระพุทธเจ้าเย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 เวันเออเวันเจนั้นเลยถวายทุกอย่างจากนั้นก็ตั้งความปรารถนาขอให้ได้เป็นอั克拉สาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าเป็นคู่กับสาลีบุตรด้วยเทินพระองค์ก็ได้พระองค์พระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านก็พยากรเออเนี่ยสาลีบุตรจะได้เป็นอ克拉สาวกพระพุทธเจ้าโคตมะทางขวาด้านขวาแล้วก็ อันนี้ก็คือเศษฐีนีจะได้เป็นอัครสา ว, วกทางซ้ายของพระพุทธเจ้าโคตรมะในอนาคตแต่ผู้มีฤทธิ์มากองนสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากนี่แหละพระสารีบุตรก็ได้แสดงในอากาศพอเสร็จแล้วลงมากราบพระพุทธเจ้าพอเสร็จแล้วก็ข้าพระองค์ขอลาไปเมืองนาลันธา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 สมบัติเป็นเรื่องใหญ่แต่ภาษาไรบูด เ, เรื่องธรรมเป็นเรื่องใหญ่อพอมาเห็ น, นแม่ก็คิดถึงสมบัติเลยอายุแกถึงขนาดนี้จึงจะมาคิดมาอยู่คลองสมบัตินะลูกเย้ยทางภาษาไรบูดก็ไม่พูดนิ่งแล้วก็ถามว่าจงแมอ่อัตมาข อ, อขอพักที่ห้องเกิดของอัตมาแม่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 ป่วยคล้ายๆว่าลงแดงเลยนะ่ะถายท้องเลยเีอนี่ยถ่ายทายทายอจาย์ายาเข้าจานออกพระสงฆ์ก่อนดูแล เ, เสร็จแล้วเนีอยพระสงฆ์ก็นั่งล้อมรอบพอตอนหัวค่ำเทวดาลงมามากราบเธนี้ยโอ้มาเทวดามากราบเอสวยมากแล้วเดินเข้าไปกราบภาษาริบุตรพอกราบเสร็จแล้วโยมมันดาก็ถามเนลยคงคงจะพอใกล้ๆถามเลยลูก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 โอ้โหลูกของเราไม่ใช่ธรรมดาพอถึงเที่ยงคืนไปแล้วนี่พรมลงมาเลยพรมลงมากราบยิ่งผิวละเอียดอ่อนกว่าพระอินอีกสวยงามกว่าพระอินอีกนวลผิวฐานทิติไม่ได้พรมลงมาจำแรงพรมจำแรงลงมากราบแม่ก็เลยถามอันนี้เป็นใครลูกทำไมโอ้โหสวยสวยงามจริงๆพระศาเิบุตรว่านี่พรมแม่เหพรมเอ้า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 มันไปที่ไหนมันก็ไปด้วยหมาตัวนี้นะหมาตัวเมียนะไปที่ไหนก็หมาไปด้วยทุกครั้งแต่นี้ก็เลยในใจก็เขาว่าไอ้นี่นะมันไม่มีเมียมันไปที่ไหนมันเอาหมาเป็นเมียทนะีนี้ก็จะไล่หมาตัวนั้นหนีมันก็ไล่ไม่ไม่ไปมันไม่ไปไหนพอไล่เข้าไปก็มองหนะ้าสิจแล้วเราเดินไปนก็เบรนไป เ, เสร็จแล้วก็พอไปไปถางปา่าเลย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 ไอ้ข้าวที่มันเหลือตัวเองกินนะที่จะให้หมากินนะไม่ให้หมากินบ่เนี่ยเอาไปแขวนไว้ในในต้นไม้แขวนไว้ต้นไม้ที่หมาหมาก็มองโขดเห็นอยู่งั่นแหละเออมันก็มันก็หิวใช่ไหมแต่ไม่ให้มันกินเอ้พอเองตัวก็ไปทางป่าต่อไปเสร็จแล้วก็กลับมาหมาก็ตามหลังมาไอ้วันนุ่งขึ้นมากับไปเก็กไปก็ไปแขวนไว้อย่างเก่า น, นั่นะเออหมาก็มองเฝ่ไอย